มาดูข้อความในพุทธพจน์ทวนอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์อุทานว่าโลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วถูกภสษะครอบงำแล้วย่อมกล่าวถึงโรคโดยความเป็นอัตตาในอัตตกฐานหน้าส6 4ย่อหน้าล่างกล่าวว่าอยังโลโกสันตาปชาโตความว่า สัตว์โลกนี้แม้ทั้งหมดเกิดความเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะชราเพราะโรคเพราะมรณะเพราะความวุดวายต่างๆแปลว่าความเสียหายต่างๆและเพราะความกลุ่มรุมแห่งกิเลสอธิบายว่าถูกทุกทางกายและทางใจที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำก็ก็กยางว่านะ ไปถามดูเถอะทุกคนมันจะมีความทุกคนละอย่างสองอย่างเพียงแต่ว่าทุกเรื่อนั้นมันชัดเจนมากไหมมันมันมากแค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าโดยสรุปโดยรวมๆแล้วทุกคนก็จะมีความทุกข์เหมือนกันทุกข์กันมากบ้างน้อยบ้างสุดแท้แต่ว่ า, าจะเก็บมาคิดแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ว่าสรุปแล้วทุกคนจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจที่คิดแล้วไม่สบายใจเนี่ยนะคิดแล้ววิตกกังวลเป็นต้นอันนี้คือปกติของผู้ที่เกิดมา ในโลกโดยที่สุดแม้แต่เทวดาก็ยังยังลำบากใจนะก็ยังทุกข์ทางใจอยู่ว่านี่ถ้าเราตายจากเทวดาแล้วจะไปไหนต่อเป็นต้นเนี่ยนะมันผู้ที่เกิดในวัฏฏะเนี่ยไม่ทุกข์อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจบางคนไม่ทุกข์เรื่องอ่าเรื่องภายในตัวก็ทุกข์ไปในเรื่องภายนอกตัวนะสรุปว่าเก็บมาทุกข์จนได้ฝนตกก็ทุกข์แดดออกก็ทุกข์เนี่ยนะ ใครขึ้นใครลงก็ทุกใครร่ำรวยใครมั่งมีก็ทุกใครเป็นก็ทุกใครตายก็ทุกสรว่า ต, ตัวเองไม่ทุกก็ไปเก็บเรื่องมาจนทุกนะหนักเข้าฝนตกแดดออกก็ทุกหมดอันนั้นถ้มันก็เก็บมาจนเกิดความลำบากใจเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีความเดือดร้อนเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาภาษาเปเรโตความว่าผู้ถูกทุกข์สัมผัสเป็นอนเนกทั้งหลายนั่นแหละครอบงำเบียดเบียน อีกอย่างหนึ่งผู้ถูกผัสสะทั้ง6อันเป็นปัจจัยแก่ทุกขเวทนาสามนะคือทุกขตาสามนะคือสุขเวทนาเป็นต้นครอบงําคือติดข้องอยู่ในความเป็นไปในอารมณนนนนน์นั้นๆทางทวารนั้นนัก็มีผัสสะถูกผัสสะครอบงํามติดติดใจด้วยอํานาจฉันทราคะในทวารต่างๆทีนี้พอความเพลดิดเพลินติดใจนี่นะก็เป็นเหตุแห่งทุกขนั้นๆเกิดขึ้นแม้แต่ ประสบกับอารมณ์ที่ดีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ยังชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะความสุขเหล่านั้นก็ไม่ยั่งยืนเพราะถ้าหากว่าไปถูกอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆเพราะเสียดแทงเนี่ยนะบีบคั้นอุเบกขาเวทนาเรื่องทั่วไปก็ไม่ยั่งยืนขณะเดียวกันสิ่งใดที่เราเรียกว่าไม่มีอะไรในที่สุดก็เป็นปัจจัยให้มีจนได้เรื่องไหนที่เราคิดว่าไม่เกิดไม่มีปัญหาในที่สุดสิ่งนั้นก็จะกลับมาเป็นปัญหา จนได้นะนะทุกอย่างในอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเรานะตรงไหนที่เราบอกว่าเออตรงนี้ดีนะมันไม่เคยเจ็บเคยป่วยไม่นานอ่ะตรงนั้นแหละจะมาละนะจะมาเตือนละเพรา ะ, ะแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าเขานี่ไม่เคยป่วยเลยเะารู้ถ้าคนนี้ป่วยแล้วจะป่วยหนักกว่าคนทั่วไปนะอะไรที่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นนี่แหละถ้ามันเป็นแล้วมันลําบากเพราะในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นเป็นอย่างนี้มนานานแล้วเนีน่ยนะ ข้าวของเครื่องใช้ก็เหมือนกันเราเคิดว่าไม่มีปัญหาในที่สุดก็มีปัญหาจนหน้าชมมารถไม่เคยเสียก็เสียเป็นทุกอย่างอ่ะนะแม้กระทั่งว่าโอ้เกิดมาตั้งนานชีวิตนี่ อ, อายุยืนยาวมากอ่ะนะแมาพูดอย่างนี้บ่อยๆไม่แน่นะ่ะเหมือนว่าใครจะสุดหรือยังกำลังทราบอ่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองใช่ไหมเมื่อสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผัสสะทั้งหกกระทบในทาวารต่างๆ ก็ติดข้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆติดข้องอยู่ในทวารนั้นนั้นนะทุกทวารเนี่ยทุกทวารก็เป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องทุกอารมณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องก็สังเกตนะติดข้องไม่ติดข้องไม่รู้ล่ะเดี๋ยวก็เอามาพูดถึงเดี๋ยวก็เอามาพูดถึงไม่ติดแต่พูดถึงนี่แปลว่าอะไรก็ติดนั่นแหละแต่ว่าอาจจะติดแบบอ่อนๆหน่อยนะหรือติดจนชุ่มไปหมดแล้วไม่รู้ตัวว่าติดอย่างนี้ บทว่าโรคังวัตติอัตโตสัตว์โลกเมื่อไม่รู้ทำตามความเป็นจริงถึงโรคทุกข์หรือขันห้ากล่าวคือเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะภาษะเป็นปัจจัยก็ย่อมกล่าวว่าเป็นอัตตาว่าอัตตานี่แหละรับรับสุขรับทุกข์เรานี่แหละรับสุกรับทุกข์ก็เลยสำคัญผิดว่าเป็นเราทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งนั้ น, นคือโรคคือทุกข์คือขันห้า แต่สําคัญผิดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะถ้าจะว่าไปนี่ก็เป็นคนที่ชอบกล่าวตู่เข้าไปเข้าไปอะไรนะเข้าไปยึดถือในสิ่งที่ทั้งๆที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็ไปสําคัญผิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงเราจะให้มันเป็นเช่นนี้ตลอดไปได้ไหมให้มันดีตลอดไปได้ไหมให้มันสบายตลอดไปได้ไหมอะไรก็ไม่ได้สากอย่างแต่ก็ สำคัญไปลมๆมแรงแรงหวังไปลมลมแรงแรงอ่ะนะก็ะบอกว่าหวังว่าสังขารจะเป็นสุขหวังว่าสังขารจะเป็นเป็นของเที่ยงเป็นต้นคำว่าอัตโนโดังนี้ก็มีสัตว์โลกนี้นั้นถูกทุกขธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำทุกขธรรมเนี่ยนะหมายก็ว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถจะอดกลั้นไว้ได้เพราะไม่ได้เจริญอัตตาออัตตาตัวนี้คืออะไร ตอนแรกบอกว่าอนัตตาตอนเรามาอัตายแล้วมาจากบาลีคำว่าพาวิตตายะหมายว่าไม่ได้อบรมจิตอะไรเลยเมื่อไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมสมถวิปัสนามาเนี่ยนะก็เลยได้แต่ความบ่นเพ้อบ่นเพ้อว่าโอ้ทุกข์ทุกข์กเช่นนี้จงอย่ามีแก่ตนของเราจึงกล่าวถึงโรคของตนอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อจะละโรคอ น, นั้น รู้ว่ามันเป็นทุกข์ น, นะแต่ว่าข้อปฏิบัติของเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อะไรเลยตรงกันข้ามสร้างแต่เหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือมรรคแดถ้าไม่เจริญมรรคแดเนี่ยนะอย่างไรก็ชื่อว่าดําเนินปฏิปทาเพื่อความทุกข์เพราะมรรคแดเป็นทางเพื่อความดับทุกข์มรรคแปดเท่านั้นด้วยถ้าไม่ปฏิบัติตามมรรคแดก็ชื่อว่าทําทําเหตุแห่งความทุกข์อยู่ น, ยนะ ปัญใครที่บอกว่าเออไม่มีเวลาเจริญมรรคแก็บอกว่าไม่มีเวลาเจริญเหตุแห่งความสุขใช่ไหมมีแต่เวลาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองอย่างเดียวกลายเป็นผู้ที่ประทุสร้ายตัวเองเนะผู้ที่สาบแช่งให้ตัวเองขอให้ทุกข์ขอให้ทุกขใก์ใครที่เจริญมรรคแปดก็เท่ากับให้พรตัวเองว่าขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ก็แล้วแต่เราจะเลือกปฏิบัติปฏิปทาอะไรนะเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่ได้เจริญมรรคแดนี่แหละดำเนินแต่หนทางเพื่อความทุกข์โดยส่วนเดียว อีกอย่างหนึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงถึงทุกข์ตามที่กล่าวแล้วไม่รู้ว่าทุกข์นะนะเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยก็เลยสำคัญว่าเป็นตนสำคัญว่าเป็นของตนก็เปล่งวาจานี้ว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาคาหะถือว่าเป็นของตนถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นของเรานี้ของเราก็ยึดถือด้วยอานาจตันหาใช่ แต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยมันคือก้อนเหล็กแดงๆทั้งนั้นเลยก้อนเหล็กแดงๆที่ไฟลุกโชนตอนแรกตอนที่ไปหยิบก็มันเหมือนว่ามันไม่ร้อนเหมือนว่ามันเย็นพอหยิบไปนานๆก็รู้ว่าเอาร้อนอีกแล้วเดี๋ยวก็ร้อนอีกแล้วนี่ยน้อยนั ก, ก น, นะที่จะแยะสังขารที่เราจับขึ้นมาคิดเนี่ยนะนี่คือของร้อนอยู่สามัญยสํานึกตัวนี้น้อยนักที่จะมีว่าสิ่งที่เราคิดถึงเนี่ยคือคิดถึงก้อนไฟอยู่นะ กำลังเล่นอยู่กับไฟอยู่นะเพราะวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งไฟคือราคะโทสะและโมหะมันถ้ารับอารมณ์ใดๆแล้วสามัญญสํานึกสามัญญาสัมนึกตัวนี้ก็คือติงเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะที่เข้าไปสัมทุกขสัญญานะถ้าเจริญอา น, นิจจสัญญาเจริญอา น, นิจเจทุกขสัญญาเจริญทุกเขอนัตตาสัญญาได้จะดีมาก ตามเห็นว่าสังขารทั้งหมดที่เราคิดถึงไม่เที่ยงนะเป็นของที่จริงๆแล้วเขาไม่มีสภาพที่ยั่งยืนอะไรเลยสภาพที่ไม่ยั่งยืนนั้นเน่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งไม่ยั่งยืนด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วไม่มีผู้ใดมีอำนาจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงว่าขอให้ยั่งยืนขอให้สุขไม่มีผู้ใดมีอำนาจในสังขารเหล่านั้นจริงหรอกแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่เจริญ ไม่เจริญข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นะบทว่าเยนะหิมัญติความว่าสัตว์โลกเมื่อกล่าวเบนจะขันคือขันห้าอันเป็นตัวโรคนี้โดยความเป็นอัตตาหรือของอัตตาเป็นตนเป็นของตนเนี่ยนะด้วยอาการอย่างนี้จึงสำคัญโดยทิฏฐิสำคัญโดยมานะสำคัญโดยตัณหาโดยประการอันเป็นเหตุมีรูปเวทนาเป็นต้นใด หรือโดยประการมีความเป็นของเที่ยงเป็นต้นใดก็ไอตัวตัวตันหาเนี่ยนะตันหามานะทิฐิไปสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราหรือไม่ก็ไปสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเที่ยงนะพอพูดอย่างนี้นึกถึงคําสอนได้รอกเราว่ามันไม่เที่ยงนะตอนที่แวบๆเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าอย่างนี้อาศัยคําสอนชี้แนวไว้ก่อนไม่เที่ยงแต่ถ้าใจเราเองนึกไปเรื่อยๆนะ คิดถึงลูกก็คิดไม่ว่าไม่เที่ยงทุกครั้งเนี่ยนะคิดถึงวันหนึ่งเนี่ยสักสามครั้งบอกเขาก็ไม่เที่ยงนะเขาเป็นสภาพที่มีความแปรไปเป็นธรรมดานะคิดถึงทุกอย่างเลยนะที่เราเรียกว่าเป็นของเราเนี่ยน้อยนักนะที่เราจะกล้าคิดว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงกลัวอะไรกลัวจะเป็นลางไม่ดี <c oughs> คิดอย่างนั้นเกิดมันเป็นจริงเขาจะว่ายังไงนะก็เลยเลยไปอีกเลยทันสรุปว่าทุกอย่างที่เราคิดถึงนะด้วยความสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเรา ก็เลยไม่กล้ายอมรับความจริงพอความจริงเหล่านั้นประจักษ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โดยมากจะเสียใจไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเขาไปสาคัญว่าเที่ยงเข้าไปสาคัญว่าเป็นของที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขเข้าซึ่งมันตรงกันข้ามก็อย่างที่ว่านะเนี่ยตรงนี้ชัดดีว่าตะโตตังโหติอัญถาความว่า เบนจะขันอันเป็นวัตถุแห่งความสำคัญนั้นะนะคือเขาสำคัญว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนอัตตาเนี่ยย่อมเป็นโดยประการอื่นจากอาการที่ตนกำหนดไว้กำหนดไว้ยังไงมันตรงกันข้ามหมดเลยและเป็นการยึดถือว่าตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตนอธิบายว่าไม่ทำอาหารการมะมังการให้สำเร็จเพราะไม่อาจให้อยู่ในอานาจได้เราสาคัญว่าเป็นของเรา แล้วทําได้สําเร็จไหมว่าเป็นของเรานะแล้วสําคัญว่าเป็นเราแล้วทําได้สําเร็จไหมว่าเป็นเราสรุปว่าทําให้เป็นเราให้เป็นของเราก็ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้อย่างแท้จริงนี่ยนะสมมุติว่าผมเนี่ยทําให้เป็นเราเป็นของเราได้ไหมไล่ไปเรื่อยนะขณะรูปประคันยังทําไม่ได้แล้วเวทนาขันละ่ะสําคัญว่าเออสุขเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราทําสุขเวทนาเหล่านี้ให้ยั่งยืนได้ไหม อีกอย่างหนึ่งตะโตความว่าเบนจะขันคือขันห้าอันบุคคลสําคัญว่าเทีย่ยงย่อมเป็นโดยประการอื่นคือโดยเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นต้นเราคิดเอาไว้อย่างหนึ่งมันตรงกันข้ามหมดเลยนะเช่นคิดว่าได้จะได้กําไรจะกลายเป็นขาดทุนคิดว่าเป็นกลายเป็นตายอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้ามันตรงกันข้ามหมดอะไรจะเกิดขึ้นและรวมๆแล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ด้วยเพราะภาวะเพียงศักแต่ว่าความสําคัญไป สำคัญตันี้เป็นชื่อของวิปลาสนะวิปลาสไปเองเข้าใจไปเองว่ามีอะไรแต่ว่าทาั้งๆที่ไม่มีเลยอย่างที่สำคัญหมายก็ความสำคัญนั้นไม่สามารถทำภาวะหรือลักษณะให้เป็นอย่างอื่นไปได้ลักษณะภาวะที่ไม่เที่ยงสภาวะที่ไม่เที่ยงเราไปสำคัญว่าเที่ยงเนี่ยช่วยให้เที่ยงขึ้นไหมนะสภาวะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นทุกข์เราไปสาคัญว่าสุขสุขสุ ข, สขทได้ไหมและเป็นจริงได้ไหมก็เหมือนกับว่า หวังว่าจะดีจะดีจะดีจะ ด, จะดีมันดีจริงไหมล่ะเนี่ย น, นะความสําคัญอย่างเดียวพอไหมที่จะว่ามันดีอย่างที่เราเราคาดหวังก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้คิดตามเป็นจริงเถอะมันจริงยังไงก็ให้มันคิดตามนั้นเถอะอย่าไปขัดแย้งต่อความจริงเลยเขาเรียกว่าอนุโล ม, มขันติยานไงปัญญาที่คล้อยตามเป็นจริงมันจริงแค่ไหนก็ยอมรับมันอย่างนั้นจริงๆเนอะแต่ถ้าเราฝืนเมื่อไหร่อคําำว่า มันจริงอย่างไรคือเนี่ยเขาใช้กับขันห้าว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆขณะเดียวกันก็บอกว่าเมื่อใดที่เผลอไปบอกกุศลก็ไม่เที่ยงจริงๆกุศลก็ไม่เที่ยงจริงๆไม่ต้องเจริญดอกกุศลสติก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงศีลก็ไม่เที่ยงสมถะวิปัสนาไม่มีเที่ยงสักอย่างเลยจริงจริงเหล่านี้ไม่เที่ยงจริงๆรยมคิดว่าจะเจริญกุศลเพิ่มไหม เขาบอกว่ากุศลทั้งหลายไม่เที่ยงก็จริงแต่ถ้ากุศลไม่เกิดและเสื่อมนะจะต้องเกิดโดยส่วนเดียวจนกว่าอรหัตมรรคเกิดนั่นแหละค่อยพอเนี่ยนะแต่ในส่วนของอุปาทานขันห้าเมื่อใดมันก็ไม่เที่ยงแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างเป็นปริญญาธรรมบางอย่างเป็นภาเวตปธรรมอ่ะขออภยัยอุปาทานขันห้าเนี่ยเป็นปเป็นปริญญาธรรมแต่กุศลทั้งหลายที่มีอุปาทานขันห้าเป็นอารมณ์เนี่ยนะ อันนี้นเป็นภาเวตประธรรมต้องเจริญต้องทำให้มีขึ้นบทว่าอัญถญาภาวีภวสัตโตสัตว์โลกผู้ติดข้องในความเจริญในหิตสุขที่ยังไม่เกิดแม้จะคิดตามความพอใจด้วยอำนาจความสำคัญก็มีความอย่างอื่นจากความสำคัญนั้นด้วยการปฏิบัติผิดมีแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์มีแต่ความทุกข์ประสบแต่ความคับแค้นโดยถ่ายเดียว หลายเรื่องเนี่ยนะที่ที่คนที่ทําอะไรผิดพลาดเนี่ยตอนแรกเขาคิดไม่ว่าเขาจะผิดเขาคิดไม่ว่าเขาจะพลาดเขามีแต่บอกว่ามันจะดีอย่างเดียวคิดว่ามันจะดีมันจะเจริญมันจะดีมันจะเจริญเพราะเขาบอกว่าสิ่งนั้นมันจะยังประโยชน์ให้เกิดยังความสุขให้เกิดยังย like ังอะไรให้สําเร็จเขาเขาคิดไว้ว่าเขาจะต้องเจริญโดยส่วนเดียวใช่ไหมต้องประสบความสําเร็จโดยส่วนเดียวดีโดยส่วนเดียวเสร็จแล้วเอาไปเอมามันตรงกันข้ามหมดทุกเรื่อง ไม่ตรงกันข้ามขณะนั้นหลังหลังจากนั้นไปมันก็ตรงกันข้ามเพราะความเป็นจริงมันคืออะไรเพราะว่ามูสาตทั้งหลายเนี่ยสำโดยมากนะคิดอะไรไม่ค่อยคิดตามเป็นจริงนะคิดแบบอะไรนะเข้าข้างตัวเองไงเข้าข้างตัวเองด้วยอํานาะจวิปลาสเป็นต้นบทว่าภาวะเมวาพินันทติความว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงนะก็ยังหวังอย่างเพลดิดเพลินในภพ คือความเจริญที่ที่ไม่มีซึ่งตนกําหนดโดยความสําคัญผิดเท่านั้นก็ยังแอบหวงังแอบหวังว่ามันจะดีมันจะดีมันจะดีะดพบใหม่มันต้องดีกว่าชาตินี้ชาติหน้าต้องดีกว่าชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องดีกว่าชาตินี้มีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมมีแต่เจริญอย่างเดียวเกือบจะ น, นิพพานอยู่แล้วใช่หรือเปล่าใช่ไหมว่าจะ น, นิพพานจริงหรือเปล่านั่นก็ถามดูนะทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใครมั่งคิดว่ากําลังตัวเองกําลังเดินไปสู่ความเสื่อม อันนชาตินี้เรายังเสื่อมขนาดนี้ชาติหน้านะ่จะต้องเสื่อมกว่านี้ชาติหน้าคิดว่าจะเสื่อมเสื่อมเสืมเสื่อมไปไหมชาตินี้เราเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราเป็นเทวดาชาติต่อไปดีไม่ดีเป็นพรหมโน่นอีกสมชาติจะนิพพานน่ยนะก็คิดคิดคิดคิดแต่และจริงๆล่ะก็ค้างอยู่ในวัตฏามัถึงทุกวันเนี่ยเพราะมันตรงกันข้ามกับที่ทุ่เองสําคัญเกือบหมดทุกเรื่องเลยหรือบางทีบอกอีกอย่างหนึ่งบทว่าอัญถาภาวี อัญญาถาพาวีโดยศัพท์เนี่ยแปลว่าตรงกันข้ามกับที่ความสำคัญหมดอัญญาถาแปล ว, ว่าเป็นอย่างอื่นพาวีก็เป็นผู้มีภาวะเป็นอย่างอื่นตามที่ตัวเองคิดหมดเลยตรงกันข้ามหมดเลยเช่นว่ามีความเป็นอย่างอื่นด้วยตัวเองจากอาการที่กำหนดโดยความสำคัญโดยในเป็นต้นว่าอัตราของเราเที่ยงถึงสาคัญว่าเที่ยงแต่มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเป็นของไม่ยั่งยืน บอกว่าภาวะสัตว์โตสัตว์โลกติดข้องสยบเพราะภาวะตันหาในกามมโพบเป็นต้นไปนะสยบให้ชาติหน้านะสยบให้ชาตินี้สยบให้ชาติหน้ายอมขอให้ได้เกิดอีกเธอขอให้ได้ไปอีกขอให้ได้ไปอีกเนี่ยน ะ, นะทีนี้ถามว่าไอ้ถ้าไม่ไปมันก็ต้องอาศัยมรรคมีองค์แปดถ้าไม่คิดถามัรรคมีองค์8ปดคิดยังไงก็คิดไม่ถูกอ่ะ นันะต่อให้คิดว่าไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วเบื่อแล้วอะไรแล้วถ้าไม่มีมรรคแปดก็ตามเดิมนั่นแหละสรุปว่าจะชอบหรือจะชังมันก็ตามเดิมถ้าไม่มีมรรคแดน่นนะถ้าไม่เจริญตามอริยมรรคมีองค์แปดบทว่าภาวะเมวาพินันทติความว่ายึดถือภพอันมีสภาวะไม่เที่ยงนั่นและไปยึดถือว่าเป็นของเที่ยงแล้วเพลิดเพลินด้วยความสําคัญอันน้อมไปในภพนั่นแล ด้วยความยินดีพบด้วยอำนาจตันหาทิธิคือไม่เบื่อหน่ายจากพบเลยอย่างอย่างสมมุตินะอย่างที่รือศีโดยเฉพาะรือรศีที่อินเดียนเนี่ยเขามีมารวมตัวกันเป็นล้านรือศีนี่รวมตัวกันล้านมหกรรมรือศีอาบน้ำนี่เขาบอกว่าเป็นการอาบน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรวมกันอาบน้ําเป็นล้านพอพวกรือศีอาบน้ําเสร็จชาวบ้านผู้ชายผู้หญิงมาอาบน้ํากันอีกเป็นล้านบอกเป็นการอาบน้ําที่เยอะที่สุดในโลก เว้นได้ไว้พวกปลานะพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยล่วงนั้นอาบน้ําพร้อมกันเป็นล้านๆเพื่อจะล้างบาปที่เขาอาบน้ําเพราะเขาจะได้อยู่ในไปอยู่ในดินแดนที่มันบริสุทธิ์เขาเกิดชาติหน้าเขาจะได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวไปอยู่ในภาวะที่มันเที่ยงมันถาวรเ น, น, นี่ยนะน้อยนกักนะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอาบแล้วจะต้องประสบทุกยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มี ม, ม, มีแต่ดีอย่างเดียวคอยได้อาบน้ําของเขาเถอะ แล้วเขาก็คิดนะว่าชาติหน้าเขาจะได้เกิดมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็หวังหวังหวังห ว, ว, วังไปด้วยด้วยอำนาจภาวะตันหายินดีในกามาพบพาะะนั้นเขามีแต่คิดว่าเขาจะไปดีเขามีแต่คิดว่าเขาจะไปดีอันนั้นคือปกติอย่างอางที่อินเดียตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่มีพุทธศาสนาเป็นปกติเข้าไปสู่ภาวะปกติของของของของสมัยที่ไม่ใช่สมัยพุทธเจ้าอีกแล้ว คือไปสมัยที่อยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยการอาบน้ำล้างบาปอะไรเป็นต้นกลับไปสู่ภาวะตามเดิมทุกประการน่นแล้วกลุ่มเหล่านี้เขามีแต่เครือเขาจะไปสวรรค์เขาจะไปนิพพานแม้แต่ไปอาบน้ำที่ไหลผ่านนรกมาเขาก็ยังบอกว่านั่นเขาจะบริสุทธินน์ที่ตะโปธาเนี่ยนะแม่น้ำตะโปธาที่เมืองราชครึกนั่น มันเป็นไหลผ่านกระแสตะโพวแม่น้ำตะผ่านตะโปวานนรกมาเขาสําคัญว่าเขาไปอาบน้ําตรงนั้นเขาจะไปสวรรค์นี่ยเขาจะไปสวรรค์เพราะเขาอาบน้ําล้างบาปแต่ว่าที่แน่ๆไปดูเหอข้างล่างนั้นมีแต่สัตว์ในอาบายเนี่ยนะข้างล่างที่เพราะมันมันอาบน้ําต่อๆกันเกือบสิบชั้นอ่ะนะคิดดูไอข้างหลังที่สุดมันจะเขอะขนาดไหนแล้วก็สัตว์จะอยู่ในนั้นอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้อาบไปอาบมาไปเป็นปลายอยู่ในน้ําอ่ยุ่งเลยนะ เพเขามีแต่สยบมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความหวังว่าเขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นบทว่าภาวะเมวาพินันทติย่อมยึดถือพบอันมีสภาวะไม่เที่ยงนั่นแหลโดยความเป็นความเป็นของเที่ยงแล้วก็เพลิดเพลินมีความสําคัญอันน้อมไปในพบด้วยความยินดียิ่งในพบด้วยอํานาจตันหาด้วยอํานาจทิฏฐิไม่เคยเบื่อหน่ายในพบเลย ที่น้องบอกอสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาควรหรือที่จะเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเนี่ยนะเขาไม่เคยมีคำสอนแบบนี้เมื่อไม่มีคำสอนในลักษณะนี้เขามีแต่เข้าไปไปเพลินไปยินดีไปติดไปคล้องไปหวังเข้าไปติดใจอยู่นั่นแหละบทว่า ยะทะพินันทติตังพยังพบคือความเจริญหรือพบมีการมาพบเป็นต้นที่สัตว์โลกเพลิดเพลินพบเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าเป็นภัยเพราะน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยสิ่งนั้นอนะคือสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งทำไมเพราะโดยเหตุเกิดแห่งพบหรือเพราะมีภาวะแปรปรวมีความไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะถูกความพินาศหลายประการติดตามไป เพราะสิ่งที่มันดูดีใครจะคิดว่าสิ่งนั้นจะแตกทำลายได้แต่ว่าไม่เคยมีสังขารชนิดใดที่จีรังยั่งยืนเลยเนี่ยนะบทว่ายัสะพายติความว่าชาราและมรณะเป็นต้นอันเป็นเหตุให้สัตว์โลกนั้นกลัวจัดเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และเพราะเป็นตัวทุกข์นะชารามรณะเนี่ยนะเป็นเหตุให้สัตว์โลกกลัวจริงๆสัตว์โลกนะกลัวแก่กลัวตายแต่ไม่ค่อยกลัวเกิด แต่ก็ยังกลัวนะเอ ก, กลัวก็กลัวอยากก็อยากเลยแหละกลัวเรือเกินความแก่และความตายความทุกข์กลัวมากแต่ว่าไม่กลัวในการเกิดขอให้มันได้เกิดอีกเถอะอะไรเนี่ยจริงหรือที่คิดว่าขอไม่เกิดขอดับความเกิดเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองมาไม่เอาไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่ขอเกิดเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดตอนที่เจ อ, อปิยรูปอาสาตรูปเนี่ยไม่เอากลัวจริงๆเลยนะพอได้ปียรูปาสาตรูปนะเป็นไง อพอเจอปียรูปสาตูปไม่รู้อะไรทะเลาะลกันพราเขา้าถ้าพีเดียวได้กัแล้วกันนะพอเจอปียรูปสาตูปเอาต่อเอาต่อไหมพอเจออปีญรูปอาสาตรรูปไม่เอาแล้วเบื่อแล้วเข็ดแล้วอะไรกั น, นบทว่ายะสติพายติความว่าสัตว์โลกย่อมกลัวต่อการเสพใดเพราะความเพลิดเพลินพบการเสพกล่าวว่าเป็นการขาดศูนนั้นนะ่ะความกลัวแต่การเสพนั้นจัดว่าเป็นทุกข์คือมีสภาวะเป็นทุกข์ทีเดียวเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ เพราะทุกมีชาติทุก์เป็นต้นไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นนั้นก็เขาก็ติดข้องบางคนเขาก็กลัวนะกลัวการเขาเาถือว่าตายนี่มันน่ากลัวจริงๆเพราะเขากลัวจะไม่ได้เกิดเขากลัวมากเลยนะไม่ใช่น้อยเลยเขากลัวมากเขากลัวตายจริงๆเลยนะที่เขากลัวตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขากลัวเขาจะไม่ได้เกิดอีกต่อไปเพราะบางลัทธิถือว่าเกิดตายมีแค่ครั้งเดียว ถ้าได้เกิดมาแล้วเนี่ยทายังไงก็ได้ที่จะไม่ตายเพราะการตายถือว่าเป็นครั้งเดียวใช่ไหมพอไปอยู่ในหลุมฝังศพรอวันพิพากษาเขาเขาจะถืออย่างนั้นอย่างเดียวนะเขาเนั้นเขากลัวมากเลยกลัวตายเพราะถ้าตายแล้วต้องไปรอวันพิพากษานะเขาถ้าตกนรกก็ตกถาวรขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นถาวรเนี่ยนะเขาคิดว่ามีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมการเกิดมีครั้งเดียวพราะเขาคิดว่ามีครั้งเดียวพวกนี้กลัวมากเลยกลัวตาย แต่พว ก, พวกนับถือพุทธศาสนาเข้าใจธรรมมาเข้าใจบุญบาปดีพอสมควรก็กลัวเหมือนกันกลัวตายทําไมเพราะหลังจากตายไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองนะว่าจะไปเกิดที่ไหนะก็เลยกลัวตายเพราะความตายเป็นเหตุใกล้ของความเกิดใช่ไหมตายที่ไหนก็ตายเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดที่ไหนเนอเกิดแล้วมันได้เท่าเก่าเอาไหมอย่างนีถ้ามันไม่มีดีกว่านี้เท่าเก่าก็ยังดีอย่างนี้เลย ถ้าไม่มีดีกว่านี้เท่าเดิมก็เอาเหมือนนแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เท่าเดิมหรอกเชืเอ่อเพราะเราก็ไม่ได้ทําบุญทําบาปเท่าเดิมใช่ไหยปริมาณมาเพิ่มบุญเพิ่มบาปชาตินี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาขอให้เพิ่มบุญเยอะๆแต่เพิ่มบาปนี่เดือดร้อนแน่นบทว่ายะสะพายติตังทุกขงังความกลัวที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้การสลัดออกซึ่งอันนี้จะลักษณะเป็นต้นที่ตนกลัวนั้นคือ เป็นทุกข์คือนําทุกข์มาให้ผู้ไม่รู้ลักษณะการสลัดออกสัตว์ความกลัวที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้การสลัดออกธรรมะเป็นที่สลัดออกคืออะไรนิพพานนิสรณัโธเนี่ยนะความกลัวที่สัตว์โลกไม่รู้การสลัดออกคือไม่รู้จักนิพพานเป็นที่สลัดออกจากอันนี้จะลักษณะ สิ่งที่มีอนิจจาลักษณะทุคลักษณะอนตัตตลักษณะก็คืออุปาทานขันท่าใช่หมเมื่อไม่รู้จักพระนิพพานเป็นที่สลัดออกจากขันท่าไอ้กลัวก็กลัวอยู่แล้วใช่ไมไม่รู้จักนิพพานอยู่ด้วยและไอ้ความกลัวนั้นก็เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดที่แสดงวัตตะทั้งหมดเลยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงวัตตะด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงวิวัตตะ วัตตะคือทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ต่อไปก็จะกล่าววิวัตตะคือมรรคสัต์กับนิโรสัตว์จึงตรัสว่าก็บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดจากภพนั่นแหละในหน้าอะไรหน้าสามร้ยหกสิบนะลองดูพุทธพจน์ที่บอกพุทธพจน์ที่อธิบายไปแล้วคือโลกนี้ค้่องแล้วในภพมีความแปรปรวนเป็นอื่นถูกภพครอบงมแล้ว ก็เพลิดเพลินในภพนั่นเองสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยโลกกลัวสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นวตัตตส่วนวิวัตะก็บอกบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้เพื่อละภพคือพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติในอริยมรรคก็เพื่ออะไรเพื่อละภพนะเพราะเห็นโทษของการเกิดใช่ไหมบทว่าภาวะวิปหานายะได้แก่เพื่อละกามมาภพเป็นต้น ก็คำว่าประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติมรคมจรรย์วุสติแปลว่าย่อมบําเพ็ญอธิบายว่ามรคพรมจรรย์อันประกอบไปด้วยองค์8ส ม, มาธิฏิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยนะสงเคราะห์ด้วยขันสามคือศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันเราประพฤติสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งประพฤติมรแปดเนี่ยยากมากบําเพ็ญบารมีมาสี่มาสิ้นสอสงไขยกําไรแสนกับแล้วเหยียบหัวมานทั้งสาม กิเลสมานขันธมารเป็นต้นเนี่ยนะที่ควงไม้โผแล้วบรรลุประพฤติบำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่การละอย่างเด็ดขาดด้วยการละเหตุเกิดแห่งการมมพบเป็นต้นโดยส่วนเดียว น, นะกำจัดการเกิดในการมาพบโดยส่วนเดียวกําจัดได้อย่างไงอะไรดับการมมพบจึงดับรูปประพบจึงดับอรูปประพบจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะอะไรดับอุปาทานจึงดับ เพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับใช่ไหมวันถ้าปฏิบัติมรรคพรหมจารย์เพื่อสําลักตันหาตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับกรรมมพบก็เป็นอันดับทีนี้เอกปฏิบัติเพื่อให้อริยมรรคเกิดเพื่อดับตันหาอุปาทานนั้นใช้เวลาเท่าไหร่บอกว่าโหสี่อสงไขยกําไรแสนกลับทําไมถึงมากขนาดนี้คนอื่นไม่เห็นมากเท่านี้เลยทําไมเพราะว่าถ้าตรัสรู้แบบ ผู้เดียวก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งที่ตรัสรู้มาบอกผู้อื่นได้ไม่มีความสามารถบางคนเนี่ยนะที่มาใช้เวลาเรียนธรรมะแบบแค่ใช้เวลาน้อยมากอะไรมากเนี่ยนะแต่ก็ฟังแล้วเข้าใจแต่ไม่รู้จะเอาไปที่บายให้คนอื่นฟังได้ยังไงเนี่ยนะก็สงสารก็สงสารแต่ไม่รู้จะไปไปเล่าให้คนอื่นฟังว่ายังไงไม่เชื่อวันนี้โยมกลับบ้านไปเล่าสูตรนี้ให้ที่บ้านฟังดูสิ น, นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดง อริยมรรคอันเป็นเหตุนําออกจากทุกขโดยจริงแท้คือผู้ที่ประพฤติอริยมรรคกับพรหมจรร์ก็เพื่อออกจากทุกใช่ไหมด้วยประการชนีดแล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงความที่ไม่มีมรรคอื่นจากอริยมรรคนั้นนะในหน้า360ย่อหน้าย่อหน้าที่บอกว่าพราะองค์ปฏิเสธนะที่จะพูดต่อไปเนี่ยปฏิเสธข้อปฏิบัติของพวกสมณะพราหมว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความหลุดพ้นจากพบด้วยสัสตถิฐิ เรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่หลุดพ้นไปจากภพก็หรือสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความสลัดออกจากภพด้วยอุเฉททิฏฐิด้วยอะความไม่มีภพเนี่ยนะเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่สลัดออกจากภพอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิกัสสสตทิฏฐิอธิบายว่าอธิบายหน้าสามหกเก้าย่อหน้าว่า วิภเวนะด้วยความขาดศูนย์คืออุชเชททิทิฐิบทว่าภาวะนิสรณะมาหังโสความว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวการตราสไปการออกไปจากภพทั้งปวงว่าสังสารสุทธิเพราะสมณะพราหมเหล่านั้นเมื่อไม่รู้วาทะของผู้ที่กล่าวว่าความหลุดพ้นพิเศษจากภพด้วยภพย่อมปฏิยาการสลัดออกจากทุกข์ด้วยการตัดขาดจากภพหมายคำว่าตายแล้วก็จบกัน ตายแล้วก็บรนพนแล้วนะอะไรนะสมัยใหม่ที่เรเข้าไปดีแล้วเขาเขาเขาพ้นทุกข์แล้วได้ข่าวว่าใครตายนะบอกเขาพ้นทุกข์แล้วเขาพ้นทุกข์แล้วเคยได้ยินแบบนี้ไหมปลอบใจกันหน้าดูแหละเข้าไปสบายแล้วเข้าไปพ้นทุกข์แล้วเอารู้ได้ยังไงก็ไม่เห็นมีใครกลับมาบอกว่าเข้าไปเดือดร้อนเลยใช่ไหมอะไรเหตุผลง่ายมากนะแสดงว่าเข้าไปดีแน่นอนเขาจึงไม่กลับมาบอกเราใช่ไหมจริงหรือเปล่าเพรวก็พากันเดามั่วไปเรื่อยนะ พระพวกนี้บางคนบางกลุ่มก็ถือว่าตายแล้วเขาก็สบาย น, น, นะนะตายแล้วเขาพ้นทุกข์ว่า ง, งั้นพวกอุชเชททติฐิกล่าวว่าวิภวะปราศจากพบโดยนัยดังกล่าวแล้วด้วยอัถฐว่าอัตตาและโลกไม่มีพินาศขาดศูนย์ตายแล้วจบเลยเหลือแต่ที่เท่าว่า ง, งั้นจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมน้อมไปด้วยอุชเชททติฐิแล้วเกิดในภพนั้นๆขาดศูนย์ไปอุชเชททติธินั่นแหละชื่อเป็นสังสารสุท ธ, ธิ เพราะเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าอุเฉทวาทะก็คือมีทิฏฐิว่าศูนย์พวกกลุ่มศูนย์นี่มีหลายระดับชั้นนะอย่าไปคิดว่ามีชั้นเดียวบางพวกนี่ศูนย์แบบหยาบๆเลยศูนย์หยาบหมายคำว่ากายนี่แหละเพื่อนเอ้ยอย่างนั้นอัตตนี่แหละเป็นสิ่งมีรูปอาศัยมหาพูททั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดตายแล้วก็เลือยแต่ขี้เท่าจบตายแล้วศูนย์เลยบางพวกไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ยไปศูนย์ที่เทวดาวะกันไปเกิดเป็นเทวดานะบรรลุเป็นเทวดาแล้วศูนย์เลยไปไปศูนย์ที่เทวดาบางพวกไม่ใช่น่นน่ะไปศูนย์ที่พรหมก็ไล่บางพวกพรหมชั้นที่1นึ่าสี่ก็ไล่ไปด้วยบางพวกนั่นน่ะสูงสุดเลยเพื่อนน่นน่ะไปศูนย์ที่เนวะสัญญาณาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงเนวะสัญญาณาสัญญายตนะศูนย์เลยคันนี้ดับหมดเลยไม่มีเหลือจริงไหมนึกก็เดากันไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหม อันนี้พวกอุเชทิฐิเพราะมิจฉาทิธิเป็นปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะไม่รู้เหตุรู้ผลใช่ไหมไม่รู้ว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยก็นึกว่าถ้าชราและมรณะก็จบเลยเพราะไม่รู้ว่าชาติก็มีกรรมเป็นแดนเกิดใช่ไหมก็นึกว่าเออจบที่ชรามรณะจบที่ชรามรณะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะต้นเหตุอยู่ที่การเกิดเขาคิดว่าไปเกิดที่นั่นไปถึงชรามรณะแล้วก็จบเลยซึ่งมันไม่จบจริงๆ อุเชตทิธิกกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มต่อไปเขาบอกว่ามหาบาพิษทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลพวกนี้ถือว่าตายแล้วศูนย์หมดเลยอที่คนพาลบัณฑิตทั้งพาลทั้งบัณฑิตเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกย่อมขาดศูนย์ย่อมพินาศย่อมไม่มีสมณพราหมณ์ม้เหล่านั้นผู้ยึดถือผิดตรงกันข้ามอย่างนี้จกสลัดออกจากพบได้ที่ไหนมันจะออกจากวัฏตะได้อย่างไรใช่ไหมเป็นไปได้อย่างไรที่จะออกจาก วัตะเพราะว่าเขาถือว่าตายแล้วศูนย์เมื่อถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองตายแล้วศูนย์ในชีวิตที่เหลือจะเอาไปทําอะไรชีวิตที่เหลือนี่แหละเพื่อนเอออีกหน่อยเราก็ตายแล้วใช่ไหมชีวิตที่เหลือก่อนจะตายเราทําอะไรกันดีเพราะเขาถือว่าตายแล้วจบทําไงเพราะฉะนั้นเหล้าที่อย่างไหนที่ยังไม่เคยดื่มก็รีบสรรหามาดื่มอาหารไหนที่ยังไม่เคยกินก็รีบหามากินเพราะอีกหน่อยก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้กิน เดียบกินกินไปเธอเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็อดที่ไหนยังไม่เคยเที่ยวก็ะปายเที่ยวจนตายเลยค่นี้พันพวกนี้ก็ไม่สามารถสลัดออกจากพบได้ถ้าตายแล้วมันมันจบอย่างที่เขาคิดกันเนี่ยนะไม่รู้จะศึกษาธรรมะให้ปวดเสียเนียงเกล้าไปทําไมนะมาทำทำไมกุศลเนี่ยนะก็คิดว่ารอวันรอวันนั้นอ่ะซึ่งต้องถึงอยู่แล้วถึงกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมวันนั้นอ่ะวันตายมันถึงกันทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรมันก็ถึงวันนั้นอยู่แล้ว นะบุญก็ไม่ต้องทําไม่ต้องอะไรก็ถือว่าตายแล้วจบใช่แต่เขามาคิดตามเข้าเองมันก็ใช่นะใช่แล้วสุคติของเขาเนี่ยจบหมดแล้วเพราะชีวิตที่ผ่านมาเขาทําแต่กรรมชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเขาตายแล้วกูให้สุคติเมื่อไรเนาะจะได้กลับมาเกิดอีกไม่ได้แช่งนะแต่ว่านึกหาบุญที่จะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างานึกหาไม่ค่อยเจอเลยเนี่ยนะมีหลายๆคนเนี่ยนึกแล้วนึกสมมติคนนี้เป็นกับตายนี่มันเท่ากัน เพราะว่าชีวิตถึงเขาตรออีกหน่อยเขาไม่รู้จะมีประโยชน์ตรงไหนเพราะอยู่แล้วก็ทําบาปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็กังแอบดีใจว่าเอ๊ะถ้าเขาจะเกิดในสกสวรรค์หรือเกิดมากลับมาเป็นมนุษย์ใหม่นึกตามหาบุญไม่เจอเลยว่าบุญตัวไหนนาะจะนํามาเกิดเป็นมนุษย์คืรเนี่ยนะนึกไม่ออกเลยนะเพราะอะไรบอกเกิดมานะีให้ทานอยู่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยนะให้ทานยามเมาด้วยนะไม่ใช่ยามปกติด้วยอย่างเงี้ยเกิดมาก็ปัญญา น, นิ่มแน่นอนเนละ ซีนล่ะไม่เคยมไม่เคยอยู่ในหัวใจเลยอย่างง้นะบางคนเนี่ยขนาดนั้นจริงๆนะประเทศไทยเรานี่แหละส่วนสัตว์เออเพราะสัตว์โลกยังไม่ได้ถอนกิเลสที่เหลือให้หมดด้วยอรรยมรคภาวนาแม้ในการไหนๆก็ไม่ได้ความหลุดพ้นด้วยการสลัดออกจากภพออกจากภพไม่ได้หรอกเพราะไม่มีอะไรไม่มีอรรยมรคพอที่จะนำออกจากภพได้ใช่ห จรงอย่างนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ตกไปในส่วนสุดทั้งสองว่ามีคือสัสตตทิฏฐิไม่มีคืออุเฉททิฏฐิเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงกระสับกระส่ายและดิ้นรนด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิเพราะเขาเหล่านั้นมีทิฏฐิเป็นที่ไปมีทิฏฐิเป็นคติคือมีนําพิษมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนําไปหมดอะนะลุ่มหลงอยู่แม้เหตุแห่งความเป็นไปลุ่มหลง ลุ่มหลงในสมุทยัยคือลุ่มหลงในกรรมถูกเครื่องผูกคือตันหาล่ามเอาไว้ที่เสาคือมิจฉาทิฏฐิที่ตรงกันข้ามตามความเป็นจริงเ่ยนะทัศ น, นะอันผิดตรงกันข้ามฝังไว้ที่แน่นมิจฉาทิฏฐิฝังไว้ที่ส ก, กายะเอาคำว่าทิฏฐิออกมิจฉาทิฏฐิฝังตัวเองไว้ในส ก, กายะคืออุปาทานขันห้าะนะย่อมไม่ละที่ผูกไปได้ เหมือนสุนัขที่ล่ามไว้ด้วยเครื่องล่ามเหมือนสุนัขที่ถูกล่ามโซ่ไว้ฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิให้มันไปพันพันไว้กับอุปาทานขันห้าใช่ไหมพันมิจฉาทิฏฐิพันไว้กับขันห้าไว้ยังไงนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรายิ่งพันในอุปาทานขันห้าล่ามไว้เท่าไหร่จะพ้นจากขันห้ามาแต่ไหนเขาบอกว่าเขาจะพ้นจากขันห้าแต่เขายึดติดขันห้าเต็มทีเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมที่จะออกจากขันห้าได้อันนั่นก็เราอันนั้นก็ของเราเนี่ยนะสมมติถ้าเราพันสมมติสิ่งที่เราพันอยู่นะก่อนจะตายสมมติพันถึงบ้านจะออกจากบรรลุเลยไหมคิดถึงทรัพย์สินก็อยู่ที่ทรัพย์สินเน่ยนะนะแล้วมาอยู่ในฐานะอะไรอีกเรื่องหนึ่งอันนะนึกถึงเครือญาติเอาไหมไปอยู่กับญาติจะอยู่ในฐานะอะไรเนะาะธรรมะใหม่เนี่ยนะนะ ไปฝากฝังไว้กับลูกกับหลานกับเครือญาติเนี่ยจะไปอยู่ในฐานะอะไรยิ่งนึกไปยิ่งเครียดนะถ้าใครไม่มีมรรคพรหมจรรย์เนี่ยลำบากมากเลยนะยิ่งนึกและยิ่งเศร้าเพราะไม่รู้จะออกอย่างไรเนี่ยนะคือหมายคำว่าเป็นกลุ่มที่มีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกอย่างลงแล้วไม่รู้ทํายังไงจะทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าไม่หัย้อนกลับไปหาพระพุทธคุณตามเดิมเนี่ยเรานึกไม่ออกจริงๆเลย ชีวิตมันจะเริ่มต้นเริ่มต้นที่ไหนแก้ยังไงแก้ด้วยวิธีใดไม่นึกไม่ออกเกิงๆเนี่ยยังตามองเห็นเนี่ยแก้ว่ายังไงหูได้ยินเสียงแก้ว่ายังไงถ้าตามองเห็นอย่างนี้ยังแก้ไม่ได้นะคิดนะว่าเตียงสุดท้ายจะแก้ได้แก้อะไรคนนี้อะที่เรียกว่าเป็นเป็ น, ปนตื่นตืนสติเต็มตัวอยู่เนี่ยยังทําอะไรไม่ได้เลยนะเวลานั้นเนี่ยจะแก้ยากขนาดไหนเพราะฉะนั้น รีบเนี่ยมองเห็นก็นึกให้มันเป็นสิกขาสามให้ได้นึกให้เป็นมรแปดให้ได้ถ้าเจริญให้เป็นมรแปดไม่ได้นี่หมดเลยมรแปดนี่ขึ้นต้นยังไงมรแปดสัมมาทิฏฐิอริยสัจสี่คิดให้มันเป็นอริยสัจดูสิสัมมาสังกัปปะที่ให้มันเป็นกุศลสังกัปปะสามดูสิสัมมาวาจาถ้าจะพูดให้ไม่เป็นคํานั้นต้องเป็นคําจริงเป็นคําสัตจนะไม่แตกแยกเป็นต้นที่เป็นสัมมาวาจาแล้วทํายังไงเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาชีวะ แล้วคิดยังไงเป็นสัมมารประธานคิดยังไงเป็นสติประฐานสี่พอไม่รู้นี่รูปนามแล้วคิดยังไงให้เป็นอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิแล้วทำยังไงให้มักแปดประชุมกันได้ก็ลองมาใคร่ครวนดูท่านนึกอะไรไม่ออกเลยก็ขอมาแนะนำว่าพุทธังสรารนังขฉามมิไปท่องเหล่านี้ไว้เถ อ, อิติปิโสพระวาวไว้ก็ยังดี <laughs> เผื่อจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาว่างั้ น, น, น โอ้ยผ่อนหนักแลนไะด้จริงๆริงนะอย่างน้อยที่สุดแต่ถ้าอิติปิโสเป็นอารมณ์ก่อนตายไปดีแน่จะแต่ปัญหาว่าก่อนตายเนี่ยมันอะไรอาวรณ์อยู่นั่นแหละไอ้นนท์ก็ยังแก้ไม่ได้อันนี้ก็ยังค้างคาถ้าอย่างงี้ก็ลืมอิติปิโสหมดเลยคับนี้คาถาร่วงหมด <c oughs> กันอบายไม่ได้เลยไม่มีคาถากันอบายเลยครับนี้มั้นก็ยังไงยังไงก็ฝึกเจริญพุทธคุณเป็นต้นเอาไว้ให้ดีๆเถอะสรุปว่าถ้ายังตื่นตื่นอยู่อย่างนี้นะคิดมักแปดไม่ได้เจริญมักแปดไม่เป็นนี่ก็ ไม่รู้จะไปทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะนะทำอะไรก็นั่งทำตาเปรบๆนะั่นแหละพอจะได้บ้างทีนี้ต่อไปว่ากลุ่มที่ไม่ออกอขออภยัยกลุ่มที่ออกจากวัตตะได้เขาทำยังไงกันเอ่อในหน้าสามหกศูนเนี่ยนะกลางๆหน้าก็ทุกนี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวง ความเกิดแห่งทุกย่อมไม่มีเพราะความสิ้นอุปาทานทั้งปวงอันนี้ประกาศอริยสัจแลนะคํานี้ของผู้ที่มีปัญญาเห็นอริยสัจทุกนี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิใช่ไหมความเกิดแห่งทุกย่อมไม่มีหมายความว่าดับทุกได้เพราะสิ้นตันหาหรือสิ้นอุปาทานอธิบายว่าอุปธิมีขันเป็นต้น ทุกเนี่ยอาศัยอุปธิทุกคืออะไรชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาทุกทั้งหมดเหล่านี้ก็อาศัยขันห้าใช่ไหมสังคิเตนะปัญจุปาทานะคันถาทุกขาใช่ไหมชาติความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกความแม้ความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกพลาดพลาดจากของรักก็เป็นทุกปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข ว่าโดยย่อขันห้าคือตัวทุกข์เนี่ยอุปาทิตัวนั้นนหละคือตัวทุกข์ทุกขเพราะความเกิดเป็นต้นอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ว่าสัตว์เหล่านี้มีทิฏฐินําหน้าสําคัญความหลุดพ้นในที่ใดเขาก็ก็ได้ประสบแต่ขันเขาบอกว่าที่ไหนที่มันพ้นทุกข์นะเขาไปหาก็เจอแต่ขันเจอแต่กิเลสและกรรมก็ก็จริงนะลองคิดดูว่าไปที่ไหนไปให้มันพ้นขันห้าพ้นวัตถุเป็นที่เกิดของกิเลส พ้นจากการไปทํากรรมเนี่ยยมว่ามีไหมว่าหลับสนิทนี่แหละไม่เป็นกรรมกิเลส ก, ก็ไม่เกิดแต่ก็ยังมีขันห้าอยู่อกีกแล้วชีวิตมันจะหลับตลอดไปได้ที่ไหนล่ะตื่นคือตื่นขึ้นมาก็มาทําอะไรก็มาทํากรรมต่อไปอกีกอย่างเงี้ยนะที่นั้นสัตว์โลกนั้นจะสลัดออกจากทุกได้แต่ที่ไหนถ้ายังมีขันก็ถือว่ายังมีทุกถ้ายังมีขันอยู่ก็ดับทุกไม่ได้ถ้าหากว่า สัตว์โลกไปที่ไหนไปประสบแต่ขันกิเลสและกรรมเนี่ยสัตว์โลกจะพ้นจากทุกข์ได้แต่ที่ไหนเพราะอาภิสังขารเกิดในที่ที่เกิดกิเลสที่ใดมีกรรมแสดงว่าที่นั่นมีกิเลสเกิดได้ความสืบเนื่องแห่งพบจึงเป็นไปไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นวัตทุกของสัตว์โลกจึงไม่ดับสรุปว่าทุกนี้เกิดเพราะมีอาศัยอาศัยอะไรอาศัยอุปธิอาศัยกรรมอาศัยกิเลสอาศัย ขันเมื่อขันถ้าประวัติความเป็นไปในวัฏะอย่างนี้จะมีอยู่มันจะออกมาจากที่ไหนแสดงว่าคนที่เห็นอย่างนี้ได้นี่คือเห็นอะไรเพราะนั้นคนเห็นทุกขสัตว์กับสมุทยัยสัจจะแล้เห็นวันนี้ทุกนี้เหตุแห่งความทุกข์ที่ใดมีขันที่นั่นมีกรรมมีกิเลส ท, ที่ใดมีอุปาทานขันท่าที่นั่นมีตัณหามีกรรมมีกิเลสเพราะมันจะไม่สะท้อนออกให้เกิดกรรมเกิดกิเลสได้ไห ไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นแดนโคจรแห่งต่ําและกิเลสส่วนวัฏทุกขหละวัฏทุกขวัฏจุกเขาว่าไปแล้ววิวัฏจุก์ความดับทุกเพราะอะไรดับเพราะความสิ้นอุปาทานใช่ไหมเขาบอกว่าบัดนี้เพื่อแสดงเหตุเครื่องสลัดออกวัฏทุกเขาบอกเพราะอุปาทานทั้งปวงสิ้นไปทุกก็ไม่เกิดถ้าดับอุปาทานได้ก็ดับทุกได้บทว่าสับผู้ปาทานนักขยาเพราะ ละได้เด็ดขาดซึ่งอุปาทานสนะสูตรเขาก็มีอะไรถ้าอ ko ุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติกดับถ้าชาติดับชรามรณาโศกะปริเทวทุกโทมานตุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ก็มีด้วยอาการอย่างนี้แล้วอุปาทานมันจะดับได้อย่างไงละอุปาทานได้อย่างไรเขาบอกว่าการมุปาทานที่ถูกปาทานสีระพตุปาทานอัตวาทุปาทานต้องละได้ด้วยการบรรลุอริยมรรค ถ้าเจริญอริยมรรคเต็มที่แล้วก็ดับอุปาทานได้อธิบายว่าอุปาทานสามเหล่านี้คือทิฏฐุปาทานศีลภัตตุปาทานและอัตวาทุปาทานอันโซดาปฏิมรคให้สิ้นไปคือถึงความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นอริยสัจครั้งแรกถ้าเห็นอริยสัจจริงก็ดับทิฏฐุปาทานดับศีลภัตตุปาทานและดับอัตวาทุปาทานขอให้เห็นอริยสัจจริงๆเถิดสารพัดมิจฉาทิฏฐะได้หมดเลย ส่วนการมุปาทานการมุปาทานมีหลายระดับนะการมุปาทานที่ทำสัตว์ให้ไปเกิดในอบายละได้ด้วยมรที่หนึ่งการมราคะาอย่างหยาบละด้วยมรที่สองการมราคาและพยาบาทอย่างละเอียดละได้ด้วยมรที่สรูปปราคะอรูปปราคะละด้วยมรที่4รวมความว่าอุปาทานทั้ง4อันมรที่ี่ให้สิ้นไปคือให้ถึงความไม่เกิดขึ้นอีกเป็น ธรรมดาเนี่ยนะต้องเจริญอริยมรรคให้ได้เนี่ยนะเพราะเวลาทำบุญโบราณก็จึงบอกว่าอะไรบุญนี้ให้ทานนี้จงเป็นไปเพื่อมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งอะไรก็ช่างเขาจะตั้งความปรารถนาในลักษณะนี้ใช่ไหมเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวประหารกิเลสบทว่า น, นัตถิทุกขสสะสัมภวโความว่าเพราะอุปาทานสิ้นไปโดยประการทั้งปวงอย่างนี้คือ เพราะรกชัดคือกิเลสทั้งหมดที่รวมอยู่ในฐานะเดียวกันกับอุปาทานนั้นไม่เกิดขึ้นถ้าอุปาทานดับวัตถุตทุกแม้มีประมาณน้อยก็ไม่เกิดคือไม่ปรากฏอีกต่อไปเพราะกิเลสสารพัดกิเลสกรรมสารพัดอย่างมีอุปาทานเป็นปัจจัยถ้าสิ้นอุปาทานซะอย่างเดียวถ้าดับอุปาทานได้โดยประการทั้งปวงก็เป็นอันสิ้นทุกอุปาทานนี่แปลเป็นภาษาไท ย, ไทยว่ายึดถือใช่ไหม ไอตัวที่ทําให้ยึดถือก็ตัวทิฏฐิทิฏฐิมีสนะทิฏฐุปาทานศีละพตุปาทานและอัตวาทุปาทานก็คือตัวทิฏฐิอากามู้ปาทานก็คือโลภะโลภะกัทิฐิโลภะกัทิฐิเนี่ยสรุปรวมความมันยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราแล้วมันยึดว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเพราะมันสําคัญว่ายังไงมันสําคัญว่านั่นเที่ยงนั่นสุขนั่นยั่งยืนนั่นอัตตามันก็เข้าไปสําคัญแบบนี้แต่มันตรงกันข้ามกับ ความเป็นจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นมิชชาท่ทิฐิคือการเข้าใจผิดจึงเป็นปฏิบัติจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะส่วนสัมมาทิธิที่เห็นอริยสัจตามเป็นจริงนั้นจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดวัตตะเนี่ยนะทีนี้พระองค์บอกพระองค์เองนะพระองค์บอกตัวเองว่าท่านจงดูโลกนี้ในหน้าไหน หน้าสามหกศูนเนี่ยนะสามหกศนับขึ้นหนึ่งนับขึ้นบรรทัดที่แอดนะนะพระพุทธเจ้าบอกตัวเองคุยกับตัวเองเพราะวันนั้นยังแรกบรรลุใช่ไหมยังไม่ได้สอนใครหรอกคุยกับตัวเองอยู่ว่าท่านจงดูโลกนี้สัตว์ทั้งหลายจำนวนมากถูกอวิชชาครอบงำหรือยินดีแล้วในขันห้าที่เกิดแล้วเนี่ยเมื่อเขาถูกอวิชชาครอบงาไม่รู้ว่าขันห้าคือทุกสมุทัยนิโรธมรร น, น้นไม่รู้ว่าขันห้าคือทุกสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกความสิ้นตันหาเป็นความหนับทุกมักแปดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความหนับทุกยินดีเคลิบเคลิมอย่างยิ่งในขันห้าแล้วเขาจะพ้นไปจากทุกได้อย่างไรเนี่ยนะที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านนะในหน้าสามเจ็ดสองย่อหน้าบอกว่า ครั้นทรงแสดงปวัติคือทุกข์และทุกขสัตว์และนิวัติคือนิโรสัรจจะพร้อมทั้งเหตุดังพันนา ม, มานี้แล้วเมื่อจะแสดงว่าสัตว์โลกนี้เมื่อไม่รู้นยะคืออริยสัตว์ทั้งสีน่นี้ก็เงยศีรษะขึ้นจากวัตฏะไม่ได้อ่านะไปเงยว่ายังไงนะคือคือเปรียบเทียบ ว, ว่าสัตว์เนี่ยนะถ้ามองทะเลลึกเป็นหมื่นหมื่นทะเลลึกเป็นร้อยกิโลเนี่ยนะสัตว์เนี่ยนะก็คืองมโขงใต้ท้องทะเลนี่แหละ ไม่ใช่คำว่า ง, งมโขงนี่มาจากคำโบราณที่คนไทยเนี่ยเขาบอลงไปงมหอยโขงก็อยู่ข้างล่างนั่นะพวกสัตว์โล ก, โ ล, ก ล, ลักษณะหอยโขงที่คว่มหน้ามองดูดน้ำซับอยู่ใต้ทะเลนั่นแหละก็เงยออกจากวัตตะไม่ได้โลกอิมังปัสะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงชักนำการพิ จ, า ร, า, รพจารณาดูตรัสเรียกเฉพาะพระองค์คือคุยกับตัวเองว่าจงดูโลกนี้ เพราะพระองค์เข้าถึงภาวะวิสัยของโลกโดยประจักษ์ด้วยพุทธจักสุขคือรู้สภาพของสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งในแง่กรรมวิบากกิเลสของเขาเป็นยังไงพระองค์เห็นแจ้งทะลุ ป, ปูโปรงไปหมดเลยเขาเหล่านั้นอวิชาเปรตตาวะอวิชาเปรตตาวะเข้าอวิชาเปรตตาความว่าถูกอวิชาอันเป็นตัวปกปิดสัจจะสีครอบงํอาอวิชาที่ปกปิดสัจจะสีนี้ท่วมไปหมดเลย เพราะเขาไม่เห็นอญญาาริยสัจใช่ไหมอวิชาคือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขามิโรทขามินีปฏิปทาความไม่แทงตลอดอญญาาริยสัจสีนี้ปกปิดเขาหมดเพราะฉะนั้นเขาเป็นยังไงเขาก็ยินดีในขันที่เกิดแล้วก็เลยไม่พ้นไปจากพบภูตาแปลว่าเกิดแล้วคือบังเกิดเพราะกรรมและกิเลส ขันห้าเนี่ยนะมันเป็นที่อาศัยเกิดของกรรมและกิเลสใช่ไหมภูตารตายินดีด้วยตันหาในสัตว์ทั้งหลายคือในสัตว์อื่นด้วยสําคัญอะ น, นะคือถ้ายินดีในขันห้าภายในมันก็ไปยินดีในขันห้าภายนอกตามไปใช่ไหมคือยินดีในนั่นบิดาเรานั่นมารดาเรานั่นบุตรของเรานั่นภริยาของเราอ่ะ น, นะก็สําคัญไปหมดเลยหรือในพูดคือขันห้าว่าเป็นสตรีเป็นบุรุษ ไปสำคัญต่อไปอีกว่าเที่ยงหรือสำคัญว่าตนหรือว่าสำคัญว่ามีในตนหรือของมีในตนนะสำคัญว่าตนว่าเป็นของตนไม่อย่างรู้สภาวะแห่งขันห่าว่าไม่เที่ยงไม่งามเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเขาจะรู้ได้อย่างไงว่าไม่เที่ยงเพราะเขาไม่ได้เจริญจิ ต, ตานุปัสสนาเขาจะรู้ได้อย่างไงว่าไม่งามเพราะเขาไม่เจริญกายานุปัสสนาเขาจะรู้ได้อย่างไงว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เจริญ เวทนานุปัสนาเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เจริญธรรมานุปัสนาไม่เจริญสติปัฏฐานสี่ยังไงก็ละวิปลาสไม่ได้อะขอไปภาวาอริมุตตาความว่าไม่หลุดพ้นไปจากภพไม่หลุดพ้นไปจากสงสารไม่หลุดพ้นจากกรรมมาพบรูปประพบอรูปประพบถ้าไม่หลุดพ้นจากภพจะหลุดพ้นจากขันอาญตนะธาตุาได้ไหมก็หลุดพ้นไม่ได้ เพราะอะไรเพราะความยึดถือด้วยอำนาจทิฐิดังที่กล่าวเลยเมันยึดขนาดนั้นจะให้เขาปล่อยได้ยังไงใช่มยากก็ด้วยบทเหล่านี้ด้วยบทว่าโลกะมิมังนี้อันดับแรกเมื่อจะทรงแนะนำหมู่สัตว์แม้ทั้งสิ้นเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันโดยภาวะเสมอกันก่อนจึงแสดงสับโดยไม่เจาะจงเป็นเอกวจะนะแล้วประกาศอนุภาพแห่งพุทธาพุทธจักสุยานของพระองค์ว่า สัตว์โลกนี้นั้นมีความแตกต่างกันหลายประเภทเนะหมูสัตว์โลกเนี่ยนะหลายประเภทเช่นโดยพบพบสามไงกรมมาพบอะไรนะกรมมาพรูปประพบอรูปรประพบในพบสามก็ยังต่างกันโดยกําเนิดอีกกําเนิดเกิดในครันเกิดในไใข่เกิดในเท่าคลายและเป็นโอป ป, ปาติกะพวกที่เกิดในครันเป็นต้นก็มาแบ่งเป็นคติบางพวกก็เกิดในนิรยะคตินรกเปรตอสุรกายเดรฉานมนุษย์เป็นต้น พวกคติเหล่านั้นก็ยังแตกโดยปฏิสนธิจิตอีกบางพวกปฏิสนธิจิตเหมือนกันบางพวกปฏิสนธิจิตต่างกันบางพวกรูปเหมือนการรูปต่างกันเป็นต้นแล้วที่อยู่ก็ต่างกันไหมบางคนเนี่ยก็บ้านแต่ละหลังมีบ้านใครเหมือนบ้านใครบ้างที่อยู่มันก็เลยต่างกันนะฮะคือจริงก็ที่อยู่ในภพสามก็ต่างกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยและโดยหมู่สัตว์นั้นเป็นต้นในภพเป็นต้นแม้นั้นแม้นั้น พระองค์ตรวจดูแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างจึงทำประเภทโดยความเป็นวัจนะอีกแล้วแสดงศัพท์โดยเจาะจงด้วยระหูวัจนะจึงตรัสว่าสัตว์เป็นอันมากถูกอวิชาครอบงำก็เลยชวนให้ตัวเองดูดูซิเนี่ยหมูสัตว์ที่มันมากมายวิจิตพิสดารเหล่านี้นะพากันถูกอวิชาครอบงาเลยก็พอพวกที่ถูกอวิชาครอบงาอย่างนี้อวิชาครอบงาไม่ให้เห็นอริยสัจใช่ ไอ้ไม่เห็นอริยสัจไม่พอไปชอบสิ่งนั้นอีกก่ะตัวสิเนี่ยไม่เห็นวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคกลับไปเพลิดเพลินว่า น, นี้สุขเข้ากันเลยทํำไงคะเนี้เปลวแวบอีกทีก็ปฏิสนธิใหม่ละเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วอย่างเัีนนะ้ยไงจบเลยบัดนี้เมื่อแสดงวิปัสสนาวิถีอันเป็นโครจรของพระพุทธเจ้ามิใช่วิสัยแห่งเดรัจฉิซึ่งเป็นอุบายให้พ้นจากภพทั้งปวงจึงตรัสว่า เยหิเกจิเยหิเกจิในหน้าไหนในหน้าส6 0นเนี่ยนะที่บอกว่านับขึ้นบรรทัดที่หก็พบเหลาใดเหล่าหนึ่งในส่วนทั้งปวงโดยส่วนทั้งปวงพบทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาการคิดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่วิสัยของเดรธีเป็นวิสัยของพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละ ที่บอกว่าก็พบเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีอายุยืนหรือมีอายุชั่วขณะหนึ่งโดยประเภทจําแนกเป็นกามาพบกามาพบรูปประพบอรูปประพบสัญญาภพบอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการพบจตุโวการพบปัญจโวการพบที่สมมุติกันว่ามีความสําราญที่ต่างกันโดยสาระเว้นจากความสําราญคือมันไม่ได้มีสาระอะไรจริงๆหรอกในภพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภพเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง พบทั้งปวงไม่ว่าสวรรค์อบายมนุษย์พบทั้งหมดที่รวมย่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดและความดับบีบคั้นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะจะต้องชะาและมรณะแปรปรวนไปเพราะชราและมรณะ อิติศัพท์มีอัตเป็นประการประการอย่างไรอิตินั้นพระองค์สงเคราะ์แม้อนาตลักษณะด้วยว่าเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะไม่เป็นไปในอำนาจใครใครที่บอกว่ า, วาขอสิ่งที่เกิดแล้วขออย่าแก่สิ่งที่แก่แล้วอย่าแปลไปด้วยชราและมรณะขอได้ไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไปในอำนาจของใครเพราะอัตถาว่าไม่เป็นไปในอำนาจมีเหตุมีความแปร ى, ปรวนไปเป็นธรรมนาขออย่าแปรเลย ขอใจจงอย่าเปลี่ยนเลยใจเออจงมุ่งเพื่อนนิพพานเธออย่างงนะี้ยไต้องยอมง่ายง่ยอย่างงี้ยไหมไม่ง่ายเนาะสัตว์โลกพิจารณาเห็นขันเหล่านี้คือพบตามความเป็นจริงไม่แปรผันด้วยปัญญาคือเห็นตามความเป็นจริงซึ่งความไม่เที่ยงเป็นต้นของขันด้วยปัญญาอันชอบคือด้วยญาณอันชอบได้แก่ด้วยปัญญาอันสัมปะยุดด้วยมัจอันประกอบด้วยวิปัสสนา แล้วแทงตลอดด้วยปริญญาพิสมัยเป็นต้นปริญญาพิสมัยปหาณาพิสมั ย, าา ส, มยสัจจิกาพิสมัยและภาวนาพิสมัยก็แทงตลอดอริยสัจสี่จึงละตันหาในภพถ้าหากว่าละตันหาในภพที่สำคัญว่าภพนี้เที่ยงด้วยประการชนีดด้วยการแทงตลอดลักษณะสามคืออนิจจาลักษณะแลวก็ดับ ตัญหาได้เด็ดขาดพร้อมกับการบรรลุอรหัตตะมักย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ปรารถนาวิภพคืออุเฉต ท, ทิฏฐิเพราะอะไรเพราะละอุเฉต ท, ทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงเพราะความสิ้นไปคือเพราะละปัญหาร้อยแปดประเภทมีการมตัญหาภวะปัญหาวิภวะปัญหาตัญหาสามคูณอารมณ์หเป็นเท่าไรสิบปดนะคูณอดีตอนาคตและปัจจุบันขออภัย อะนะตันหา3คูณอารมณ์6เท่ากับ18บ8บวกภายในกับภายนอก18คูณ2เท่ากับ36คูณอดีตอนาคตปัจจุบันเป็น108ก็ละตันหา108หรือถ้าแบ่งให้มันจำแนกมันก็ไม่มีที่สุดะนะและมีประเภทหาที่สุดมีได้ด้วยการกำหนดเป็นต้นของสัตว์โลกผู้เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าตันหาสมมติ1คน108แล้วเอาทุกคนมาคูณกันทั้งหมดจะได้ตันหาเท่าไหร่ แล้วเอาสัตว์ในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้มาคูณกันจะตกลงบรรทันหาเท่าไหร่นะเวยมันจึงไม่มีที่สิ้นสุดรอกเพราะฉะนั้นจึงนับไม่ได้โดยอาการทั้งปวงโดยประการทั้งปวงแต่ว่าผ้าอรหันเนี่ยนะท่านก็ดับโดยไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งกิเลสโดยที่อยู่รวมกันนะหมายความว่าถ้าดับตันหาพับบริวารของตันหาทุกชนิดถือว่าเป็นอันดับโดยไม่เหลือดับโดยเด็ดขาดด้วยทำเครื่องนําออก คืออริยมรรคเพราะอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์อริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สลัดออกจากสังขารทุกชนิดหมายถึงตัณหาเนี่ยเป็นพิเศษถ้าสลัดตัณหาได้โดยประการทั้งปวงก็เชื่อว่าสละวัตถุทุกทั้งหมดโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นสัพปาทีเ่เสศนิพพานนะเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดนะ พบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุใดในหน้าสามที่บอกว่าพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุ น, นั้นเนี่ยนะผู้ดับแล้วไม่ถือมั่นภิกษุนั้นครอบงา ม, มารชนะสงครามล่วงพบทั้งหมดเป็นผู้คงที่ชะนี้แหละอันนี้เป็นอนุปาทิเสสนิพานธาตุในหน้า37มหย่อหน้านะที่บอกบัดนี้เมื่อแสดงอนุปาทิเสสนิพานธาตุจึงตรัสว่าตัดส า, านี้ผู้ตัดสะผู้ดับแล้วเป็นต้นนะ เพราะภิกษุผู้ขีนาศผู้ทําลายกิเลสโดยนิยะดังกล่าวแล้วดับสนิทด้วยกิเลสปรินิพานเพราะสิ้นตัณหาโดยประการทั้งปวงนะไม่มีอุปาทานคือหมดอุปาทานหรือเพราะไม่ยึดมั่นกิเลสมานและอภิสังขารมานพบใหม่จึงไม่มีคือไม่มีอุปาติภพคือตัดปฏิสนธิทุกแห่งแปลง่ายๆว่าเลิกไปขอฝากคันใครเนี่ยนะไปขออยู่ในคันหน่อยเถอะเงี้ยตัดเลยจบเลยเลิกเลยนะ ไม่ต้องไปขออยู่ในคันสุนัขหมูหมากร้าไก่อะไรเป็นต้นตัดหมดนะคันของคนก็ไม่เอาละเนี่ยนะใครไปอ้อนวอนขอลูกที่ไหนก็ไม่ขอไม่ไม่ขอรับมาเชื้อเชิญมาเป็นลูกให้หน่อยเธอบอกไม่เอาแล้วพอแล้วอย่างนั้นอ้าไม่เชื่อเขาไปขอลูกกันเยอะนะสมัยนี้แต่ขอตามวัดต่างๆไหมขอไปขอหลวงพ่อโสธรไปขอที่นั่นขอที่นี่ขอลูกเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็ขอขอกันใช่ไหมบอกเอยไม่ไปหรอกนะเขาขอหลวงพ่อแต่เราต้องไปเกิดในคันอย่างงี้จะเอาไว้ ไม่เอาแล้วภินกษพิสุผู้เป็นอย่างนั้นครอบงำ ม, มานเสียได้โดยขณะอริยมรรคขณะอริยมนะรรคนั้นจึงจะครอบงำ ม, มารได้จริงๆครอบงำกิเลสกิเลสมานอภิสังขารมานเทวปุตตมานในขณะเจริมะกะจัจิตจิตดวงสุดท้ายคือจุติจิตของพระอรหันต์ครอบงำธรรมครอบงำขันธมานและมัจจุมานรวมความว่าครอบงำ ม, มานทั้งทําทให้มารเนี่ยแพ้ ทำให้มาเนี่ยหมดพยศด้วยการไม่ให้เงยศีระอีกต่อไปเพราะท่านชนะสงครามที่พวกมาทำให้เกิดในที่นั้นด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าชนะสงครามชนะสงครามแล้วใช่เพราะว่าไม่ต้องไปคือคนที่แพ้สงครามคืออะไรคือถูกจับไปไ ป, ไปอะไรนถูกจับไปประทุษร้ายใช่คนที่แพ้สงครามเนี่ยขณะที่โยนไปปฏิสนธิเมื่อไหร่นั่นะเรียกว่าถูกจับเป็นเชเลยเรียบร้อยแล้วใช่ก็ เ, เลยถูก เล่นงานนั้งแตอยู่ในคันนะก็ผู้ที่ชนะสงครามนี้เรียกว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหรันต์พูดถึงลักษณะของผู้ที่คงที่เพราะไม่มีวิการในอารมณ์ทั้งปวงหมายคำ ว, ว่าท่านจะไม่แปรไปเลยเมื่อเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ไม่มีความวิการคือแปรไปเลยก้าล่วงคือก้าล่วงด้วยดีซึ่งพบทั้งปวงคือพบแม้ทั้งหมดตามประเภทที่กล่าวแล้วเพราะท่านไม่จับเข้าในที่ใดที่หนึ่ง โดยที่แท้เป็นผู้ที่หาบัหญัติม่ได้เบื้องแต่นี้ไปปริณิพานไปเหมือนอะไรขีนังปุรนังนวังนัีิสัมภวังวิรัติจิตตายติเกผวสมิงเตขีณพีชาเนี่ยนะเหมือนประเทศที่หมดเชือ้อหมดน้ำมันหมดไสกระถางแตกก็เลยหาที่ไหนอีกบางพวกอุชเชตบอกมันก็ศูนย์สิมันก็ไม่มีอะไรสิเอ๊ะไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยครับพวกเขาว่ากันนี่แหละรู้จักทุกน้อยไป สรุบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถือเอายอดคืออนุปาทิเสสะปรินิพานธาตุให้มหาอุทานนี้จบลงอันนี้เรียกมหาอุทานพราะอุทานยาวมากเลยนะฟังก็เลยเรียกว่าจบด้วยประการชนนี้ก็จบโลกสูตรที่10บจบมหาอุทานแต่ยังไม่จบคัมภีร์อุทานเนี่ยนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเช่นตอน